พท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใหญ่บุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ส3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เป็นวันหยุดชดเจยเนื่องจากวันมาฆบูาชาในตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางราชการจึงได้ให้มีวันหยุดเฉยอีกหนึ่งวันเพื่อที่สาธาชนพุทธบรยสัตว์ทั้งหลายจะได้ในเวลามาทำบุญกันเพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราพวกเราต้องอาศัยบุญ ทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะต้องเพื่อบุญเพราะว่าเราจะไม่สามารถเพิ่งร่างกายได้ไม่สามารถเพิ่งเงินทองเข้าของต่างๆไม่สามารถเพิ่งพาอาศัยบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ได้สิ่งที่เรา อย่พึ่งได้ก็คือบนที่เรามากระทำกันอย่างต่อเนื่องขอให้คิดว่าชีวิตของเราเนี้เป็นเหมือนกับการโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพราะเวลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนกับเราต้องโยกย้ายสถานที่ที่ที่เราอยู่ไม่สามารถ อยู่ต่อไปได้แล้วเวลาเราไปถ้าเราไม่เตรียมของเตรียมอะไรไว้เราก็จะไปแบบอดอยากขาดแคลนไปแบบขอทานไปแบบผู้อพยพเช่นเวลาบ้านเมืองมีสงครามถ้าเราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนเราก็จะต้องไปแบบผู้อพยพไปอยู่ตามแคมปะะ์อพยพ แต่ถ้าเราเตรียมการไว้ก่อนเรารู้ว่าบ้านเมืองของเราจะต้องเกิดสงครามเกิดภัยที่ทำให้เราอยู่ไม่ได้เราก็จะได้เตรียมขอรีไยไปต่างประเทศเช่นเตรียมทำหนังสือเดินทางเตรียมขอวีซา่าเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมเก็บเงินเก็บทองเอาไว้พอมีเหต มีภัยในบ้านเราที่ทำให้เราอยู่ไม่ได้เราก็จะได้ขึ้นเครื่องไปอย่างสบายย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ไปอยู่ประเทศใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ได้ทำวีซ่าไม่ได้ทำหนังสือเดินทางไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้มีเงินทองเก็บเอาไว้ติดตัวไปเราก็จะ้ไปแบบผู้อพยพ ที่ต้องไปอยู่ตามแคมป์ต่างๆตามชายแดงเพราะว่าไม่มีความพร้อมที่จะไปอยู่ตามประเทศต่างๆที่เราอยากจะไปอยู่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะต้องโยกย้ายจากร่างกายนี้ร่างกายนี้เราอยู่ได้ถึงอายุประมาณ 80-90 ปีหลังจากนั้นร่างกายตายไป ใจของเรานีไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราก็ต้องอบยกไปเราจะไปดีหรือไปไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราได้ทำกันไว้ในภพในชาตินี้ถ้าเราไม่ทำบุญทำแต่บาปเราก็จะต้องไปสู่ที่ไม่ดีไปอยู่แบบผู้ลีภัยผู้อบยก อยู่ตามแคมป์ต่างๆแคมป์ camp ของผู้ที่ทำบาปก็มีอยู่สี่แคมป์ด้วยกันคือเดลชานเปรตอสุรกายและนรกถ้าเราทำบาป ก, กันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด<ม>เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืน การคบขนชั่วเป็นมิตการความเกียดร้านถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ทําแต่สิ่งเหล่านี้เวลาเราร่างกายของเราตายไปเราก็จะต้องไปสู่แคมป์ต่างๆที่อยู่ตามชายแดนแต่ถ้าเราทําบุญกันเราไม่ทําบาป ก, กันก็เหมือนกับเราเตรียมตัวซื้อตัว๋วเครื่องบิน ทำหนังสือเดินทางขอวีซา่าลีภัยไปสู่ประเทศที่เราต้องการจะไปมีเงินทองเก็บออม่าไว้เตรียเอาไว้พอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ออกเดินทางขึ้นเครื่องไปผู้ที่ทำบุญไม่ทำบาปเวลาตายไปก็จะได้ไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรา บอกไม่เห็นกันไม่รู้กันเพราะเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าตาทิพย์ของเราตอนนี้มืดบอดถูกความหลงถูกความไม่รู้ปิดบังอยู่จึงทำให้เราไม่สามารถเห็นตัวเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่สามารถเห็นที่เราจะไปกันว่ามีที่แบบไหนมั่งและทำอะไร จึงทําให้เราได้ไปสู่ที่เหล่านั้นชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับผู้ที่มีตาทิ่ผู้ที่เห็นนรกเห็นสวรรค์ผู้ที่เห็นบาปเห็นบุญผู้ที่เห็นการไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้า เราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสานาเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้พบหรือพบแต่ไม่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เรื่องของโลกทิพยเราจะไม่รู้เรื่องของกายทิพย์ คือใจของพวกเราตัวพวกเรานี้ตัวแท้จริงของพวกเรานี้เป็นกายทิศและส่วนกายหยาบคือร่างกายนี้เป็นกายชั่วคราวเป็นกายที่เราอาศัยใช้ทำภารกิจต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. เวลาเรามาเกิดเราก็จะได้ร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปหา สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราไปหาเงินหาทองหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปต่อเราจะเอาอะไรติดตัวไปก็บุญกับบาปที่เราทำไว้นี่แหละ ที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้แต่ของอย่างอื่นเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆความสุขในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แต่ถ้าเราทำบุญเราเอาบุญไปได้บุญนี้ก็จะเป็นเหมือนกับข้าวของเงินทองต่างๆที่เราใช้อยู่ในโลกนี้ บุญนี้จะเป็นเท่าของเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ทำให้เราไปสวรรค์ได้ไปท่องเที่ยวไปหาความสุขจากรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทาบุญเราทำแต่บาปเวลาร่างกายตายไปเราจะไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองติดตัวไปเราก็จะไปแบบขอทาน ที่พวกเรามาทำบุญแล้วเราอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปก็เพราะเราคิดเผื่อไว้ว่าบางทีคนที่เรารักคนที่เขาตายไปเขาอาจจะไปเป็นขอทานทางโลกทิพย์ก็ได้เพราะเขาเพราะว่าถ้าเขาทำบาปแล้วเขาไม่ทำบุญหรือทำก็ทำน้อยทำบุญน้อยทำบาปมากกว่า บ, บุญ เวลาตายไปโอกาสที่เขาจะไปเป็นขอทานในโลกทิพย์ก็มีอยู่สูงผู้ที่เราอุทิศบุญให้ก็คือพวกนี้แหละพวกที่เป็นขอทานในโลกทิพย์าภาษาพระถ้าเรียกว่าเปรตพวกเปรตนี้เป็นพวกที่จะมารอรับส่วนบุญส่วนพวกอื่นนี้เขาไม่มารับกันมาไม่ได้พวกเดรัจฉานเขาก็มีร่างกายของเดรัจฉาน เขาก็ไปหากินตามภาษาของเดลฉานพวกทีななな่ไปตกนรกเขาก็ออกมาจากนรกไม่ได้เพราะเหมือนกับพวกที่ไปติดคุกติดตารางเขาไม่ปล่อยให้ออกมาขอทานต้องจับถูกขังอยู่ในคุกในตารางมีพวกที่เป็นขอทานคือพวกแปลกนี้ที่จะมารอรับส่วนบุญของพวกเรา ที่ครั้งที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี้เขาจะมารอรับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้เขาอาจจะเป็นเศรษฐีบุญเขามีบุญติดตัวไปเขาก็มีเงินทองที่ไปใช้ในโลกทิบเขาเป็นเศรษฐีในโลกทิ่เขาก็ไปเป็นเทวดากันเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของพวกเราแต่ถ้าเขาทราบว่าเราได อุทิศบุญนี้ให้กับเขาเขาก็จะอนุโมทนาเขาก็จะขอบคุณเขาจะซาบซึ้งในน้ำใจของพวกเราที่เรายังคิดถึงเขายังรักเขาอยู่ยังเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเขาอยู่ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็อุทิศไปกันเพราะเรื่องของบุญของบาปนี้มันไม่มีใครรู้ว่าเราทำกันมากน้อยเพียงไรดังั้นเราอย่าประมาท ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้พยายามทำบุญกันให้มากๆทํทำให้มันมากกว่าทำบาปเพราะว่าเวลาตายไปนี้บุญกับบาปจะมาแย่งกายทิพย์ของเราไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปไปสวรรค์กันถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปอบายกัน นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกายทิพย์เรื่องของโลกทิพย์ที่พวกเราไม่เห็นกันพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนตาบอดพ่อพุทธเจ้าพระอาลหาันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นเหมือนคนตาดีท่านเห็นสิ่งที่คนตาบอดมองไม่เห็นไม่เชื่อลองหลับตาดูแล้วลองเดินไปไหนมาไหนดู เสว่าจะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันหรือไม่ไม่มีวันไปได้ถ้าเราไม่มีคนตาดีนําทางเราไปพวกเราทุกคนมีความอยากจะมีความสุขกันไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกัน แต่ทําไมพวกเรากลับมาต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นทําไมพวกเราอยู่ยังต้องไปเกิดในอบายกันทําไมพวกเรายังต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกันก็เพราะว่าตาเราบอดเรามองไม่เห็นความทุกข์ความวุ่นวายใจแทนที่จะเดินหนีมันเรากลับเดินชนมันเหมือนเราดับตาเดินไป เดินไปชนเสาบ้างเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ม้างเพราะเรามองไม่เห็นเราก็เดินไปชนมันเพราะตาเราบอดเราจึงต้องอาศัยคนตาดีต้องเชื่อคนตาดีนำทางถ้าเราเชื่อและเราเดินตามคนตาดีเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้อย่างปลอดภัยฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นคนตาดี ที่มองเห็นสิ่งต่างๆในโลกที่ที่พวกเรามองไม่เห็นกันเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดและเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงเอาสิ่งที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นนี้มาสอนมาบอกเราให้พวกเราเดินไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ และได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดนะไม่มีใครจะรู้ทางนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาพบความจริงมารู้ด้วยพระองค์เองสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้จะไม่มีวันสามารถรู้เรื่องของโลกทิพย์รู้เรื่องของกายทิพย์ของพวกเราได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุป แล้วมาสั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราที่มีความเชื่อมีความศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็จะไปไปไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงก็คือไปสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายระหว่างทางก็จะได้ผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆเหมือนกับเวลาเราเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพ ก่อนจะถึงกรุงเทพเราก็มีจุดต่างๆที่สถานที่ต่างๆเช่นพระเทยาศีราชาบางแสนที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็อาจจะแวะท่องเที่ยวก่อนแล้วเราค่อยเดินทางต่อไปฉันใดการเดินทางไปสู่พระนิพพานก็เหมือนกันเราก็จะผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ชั้นเทพมีสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็ไปถึงสวรรค์ของพระอริยเจ้าชั้นต่างๆจนในที่สุดก็จะไปถึงพรนิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดทางนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วมาเผยแผ่มาสั่งสอนบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะไปในทางนี้ได้ พวกเราก with ab ็จะวนเวียนอยู <Haw> ่กับสวรรค์บ้างกับอบายบ้างกับภพของมนุษย์บ้างขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันเพราะชีวิตของเรานี่บางทีก็มีเหตุการณ์มาบังคับให้เราทำบุญกันบางทีก็มีเหตุการณ์มาบังคับให้เราทำบาปกันบางทีอารมณ์ของพวกเราก็อยากจะทำบุญกันบางทีก็อยากจะทาบาปกันเราก็เลย ทำทั้งบุญทั้งบาปปนกันไปปนกันมาเราก็เลยต้องไปเกิดในที่สูงบ้างในที่ต่ำบ้างและจะไม่ไปสู่พานิพานไปสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้เป็นอะไรนั่นเองมีแต่พระพุทธเจ้าที่รู้รู้ว่าที่พวกเราต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายการอยู่เรื่อยๆก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายของเราอยู่เรายังอยากไปเที่ยวอยากดูหนังฟังเพลงอยากจะดื่มอยากรับประทานอยากมีแฟนเนี่ยความอยากเหล่านี้มันทําให้เราต้องมีร่างกายเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถทำสิ่งที่เราอยากได้ พอเรามีร่างกายแล้วทำยังไงทุกวันนี้เราทำอะไรกันเราก็หาแฟนกันหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันวันหยุดสามวันนี้เราก็ไปเที่ยวกันอันนี้เป็นตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดเพราะความอยากเที่ยวอยากหาความสุขแบบนี้มันไม่มีวันหมดเที่ยวไปจนแก่จนตายก็ไม่หมดยังอยากจะเที่ยวอยู่ คนที่แก่คนที่เที่ยวไม่ได้จึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเวลาอยากเที่ยวแล้วเที่ยวไม่ได้มันก็ทุกข์ทรมานใจคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมภพึกอมภาตไม่สามารถใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆที่อยากจะทําได้ก็เกิดความทรมานใจทรมานจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงกับคิดฆ่าตัวตายกันนี่คือความอยาก ที่ทำให้เรามาหาความทุกข์กันมาหาการเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วเกิดแก่เจ็บตายกี่ครั้งก็ไม่เข็ดเพราะจำไม่ได้พอตายไปก็เกิดความอยากจะกลับมาเกิดต่อ<ม>ก็กลับมาเกิดใหม่อันนี้คือเรื่องของพวกเราแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านเป็นคนฉลาท่านเกิดมาแล้วเห็นความแก่ความเจ็บความตายท่านก็กลัว ถ้านไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายอต่อไปท่านก็เลยต้องไปออกบวชเพื่อที่จะได้ค้นหาความจริงว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทําให้ท่านกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วในที่สุดท่านก็ทรงค้นพบที่เรียกว่าตัดสรู้รู้ว่าเหตุที่ทําให้ท่านต้องกลับมาเกิดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระ อ, องค์นี่องพระ อ, องค์ก็เลยหยุดความอยาก พอรู้ว่าถ้าตามตามความอยากมันจะไม่มีวันหมดวิธีที่จะทำให้ความอยากหมดก็ต้องไม่ทำตามความอยากเช่นถ้าเราอยากจะดื่มสุราถ้าเราไม่ดื่มทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มต่อไปความอยากดื่มสุรามันก็จะหายไปอยากจะเที่ยวถ้าไม่เที่ยวต่อไปก็จะไม่อยากเที่ยวอยู่บ้านได้แต่เวลาสู้กับความอยากนี้ต้องใช้ความอดทน ต้องใช้สติต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถสู้กับมันได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีความอดทนจะสู้มันไม่ไหวพอเกิดความอยากขึ้นมานี่มันทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจทรมานใจพอเราไปทำตามความอยากมันก็หายไปแต่มันหายไปชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ เราก็เลยหลงคิดผิดไปคิดว่าการทําตามความอยากจะทําให้เราหายทุกข์จะทําให้เรามีความสุขแต่มันเป็นการหายทุกข์เป็นการมีความสุขชั่วคราวเพราะไม่นานความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกทุกวันนี้เราหนีเราอยู่กับความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดและพอเราตายไปเราก็ต้องกลับมา เกิดใหม่แล้วมาทำอย่างนี้ใหม่จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ว่าปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่ความอยากของพวกเราท่านก็จะสอนให้พวกเรามาหยุดความอยากกันวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือก็คือการทําบุญทําทานการรักษาศีลไม่ทําบาปแล้วก็การนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็การเจริญปัญญาให้ให้รู้ให้ให้รู้ว่าความทุกข์ของเราการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราเกิดจากการกระทําความอยากของพวกเรานี้เองถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติต่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ เราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้เมื่อไม่มีความอยากอยู่แล้วใจก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่เติมน้ำมันให้มันแล้วเราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันในถังหมดพอหมดแล้วมันก็จอดมันก็จะวิ่งไปไหนไม่ได้มันจะไม่สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้ฉันใดใจของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเราหยุดความอยากได้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ใจของเราก็จะหยุดมาเกิดจะไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปที่ที่เราไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเพราะผู้ที่ไม่มีความอยากนี้จะมีความสุขมาก ความอยากนี้ทำให้ใจเราทุกข์กันพอความอยากหายไปใจเราก็จะอิ่มจะสุขจะพอจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรต่อไปแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำบุญกัน ในวันหยุดนี้ขอให้ถือว่าวันหยุดนี้เป็นวันกำไรบุญเพราะถ้าเราไม่ได้หยุดทำงานวันนี้เราก็ต้องไปทำงานกันเราก็จะไม่ได้มาทำบุญเมื่อเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไปเวลาหลายไปเราจะไปอย่างลำบากนั้นพยายามทำบุญให้มากมีเวลาว่างเมื่อไหร่หยุดทำงานเมื่อไหร่อย่าไปเที่ยวกัน อย่าไปหาความสุขชั่วคราวกันเรามาหาความสุขที่ถาวรดีกว่าคือความสุขที่เกิดจากการทำบุญทาทานจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาจะดีกว่าเพราะเราจะได้รับความสุขที่ถาวรที่จะไม่มีวันหมดและเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ก็ขอให้ท่านพยายามทำกันให้มากมากให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เชื่อว่าเราเป็นคนตาบอดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนตาดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวรับรองได้ว่าไม่ขาดทุนมีแต่จะได้กำไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอ ขอขุนพระศีลัตนาไตคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพล ะ, พะโดยทั่วหน้ากันเทอ